พวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครที่จะสามารถพูดได้ว่าไม่เคยมีความไม่สบายใจเลยไม่เคยมีความทุกข์ใจกังวลใจไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความวิตกกังวล หวาดกลัวทุกคนเกิดมาแล้วนี่มีความไม่สบายใจเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่ามีมากหรือมีน้อยแต่ความไม่สบายใจความทุกข์ใจนี้มีมากับทุกคนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่า พอเราไปถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเรานั่นเองพออะไรเป็นเราเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันดีอยากจะให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราเป็นของเราไปตลอดแต่พอมันไม่เป็นขึ้นมามันก็ทำให้เรา เสียใจไม่สบายใจกันความไม่สบายใจของพวกเราความเสียใจความทุกข์ใจก็จากการที่เราไปถือสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเองพอมันไม่เป็นของเราเราก็เลยเสียใจกัน ความจริงเป็นอย่างไรเลยความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวทรงเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา<ม>สรเพ ธ, ธรรมานัตตา<ม>สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เป็นตัวตนไม่มีไม่ได้เป็นของเรา เราไปถือเองว่าเป็นของเราพอเวลาเขาไม่เป็นของเราเราก็เลยเสียอกเสียใจกันเวลาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราพอจากเราไปเราก็เสียใจเวลาที่ยังไม่จากเพียงแต่เราคิดว่ามี โอกาสที่จะจากเราได้<ม>ก็ทำให้เรากังวลใจมไม่สบายใจ<ม>สาเหตุของความไม่สบายใจนี่กิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเรานั้นอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่<ม> ความจริงเราก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนบางทีมันก็เป็นของเราไปได้นานหน่อยบางทีมันก็เป็นของเราไม่ได้นานอแต่แม้ว่านานหรือไม่นานก็ตามในที่สุดมันก็จะไม่เป็นของเราเวลาที่เรามาเกิดในโลกนี้ เราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมามร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็เป็นของพ่อแม่ให้เรามามแล้วเดี๋ยวร่างกายที่พ่อแม่ให้เรามานี้มันก็จะต้องตายไปอพอร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆที่เราหาได้ผ่านทางร่างกาย เราก็เอาไปกับเราไม่ได้สิ่งต่างๆเช่นข้าวของเงินทอง<ม>ทรัพย์สมบัติต่างๆบุคคลต่างๆ<ม>เป็นของโลกนี้เป็นสมบัติของโลกนี้<ม>เราเอาติดตัวไปกับเราไม่ได้เวลาที่เราต้องแยกออกจากโลกนี้ไป ตอนนี้ถ้าไม่ได้พูดก็ญ า, าติโยมนั่งสมาธิไปได้เรื่อยก่อนเพราะบางทีรู้สึกว่าเสียงมันเสียงฝนตกมันดังแล้วฟังไม่ค่อยได้ยินถ้าไม่ได้พูดอะไรก็นั่งฟังเสียงฝนไปก่อนเดี๋ยวฝนหยุดแล้วจะค่อยพูดก่อน ดูลมหายใจไปก็ได้หรือบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วมันจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาล้วอาจจะไม่อยากจะนั่งต่อไปถ้าไม่คิดอะไร อยู่กับลมหายใจดูลมเข้าดูลมออกหรือพุโทโธพุโทโธไปใจไม่คิดอะไรใจก็จะเย็นจะสบายจะนั่งเฉยๆไดต้ตอนนี้เสียงฝนดังมากขอให้พุโทโธไปหรือดูลมไปทางพางก่อน เรื่องของความทุกข์ของพวกเราทุกใจเกิดจากการที่เราไปถือสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวเรานั่นเองถ้าไม่ได้ไปถือเราก็จะไม่ทุกข์ร่างคนอื่นของของคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์ด้วยบ้านของคนอื่นสมบัติของคนอื่นเงินทองของคนอื่น ร่างกายของคนอื่นเรามักจะไม่ค่อยทุกข์กับเขาเท่าไหร่ mm. ไม่ทุกข์เลยถ้าเราไม่รู้จักเขา mm. แต่พออันไหนเรามาถือว่าเป็นของเรา mm. เราก็จะเริ่มเกิดความทุกข์ขึ้นมากับสิ่งที่เป็นของเรา mm. นี่แหละคือ การไปถือสิ่งต่างๆว่าเป็นของเรามันทำให้เราเกิดความอยากให้สิ่งต่างๆที่เราถือว่าเป็นของเรานั้นให้เป็นของเราไปนานๆาน mm. ให้ความสุขกับเราไปนานๆานเราไม่ต้องการให้เขาจากเราไปหรือเราไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนไป mm. แต่ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆนั้นพระุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ได้เป็นของเราถ้าเป็นของเราก็เป็นเพียงของเราชั่วคราวซึ่งอาจจะมีการพัดภาคจากกันได้เสมอได้ทุกเวลาไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้น จะจากเราไปเมื่อไหร่หรือเราจะต้องจากเขาไปเมื่อไหร่ความทุกข์ของเราอยากให้เขาไม่จากเราความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความอยากก็จากความไปคิดว่าเขาเป็นของเราคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราไปตลอด อันนี้เป็นความคิดที่ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความคิดแบบนี้ทำให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจถ้าอยากจะไม่ทุกข์ใจไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ เราต้องคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราคิดว่าเป็นของยืมเขามามเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเจ้าของเขาก็จะมาเอาคืนไปอของต่างๆที่เรามีอยู่นับตั้งแต่ร่างกายของเราไปนี่ทรัพย์ม ส, สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆ ที่เราถือว่าเป็นของเราเช่นพ่อแม่เราพี่น้องเราสามีภรรยาเราบุตรธิดาของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราถือว่าเป็นของเรามันไม่ได้เป็นของเราไปอย่างถาวรเป็นของเราชั่วคราว ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของเราชั่วคราวแล้วเราไม่ไปถือว่าเป็นของเราอย่างถาวรไม่ไปอยากให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราอย่างถาวรเวลาเขาต้องจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจก็ดูสิคน สิ่งที่เราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราเราเสียใจไหมเวลาเขาจากไปบุคคลที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเวลาเขาจากไปเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนใจแต่อย่างใดแต่พอเราไปถือว่าคนนั้นคนนี้เป็นของเราอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราพอเขาจากเราไปเราก็เสียอกเสียใจกัน ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะเสียอกเสียใจไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกังวลใจเราต้องมาเปลี่ยนทัศนคติของเราเปลี่ยนความเห็นของเราให้ตรงกับความเป็นจริงอความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูน้นี้ก็ทรงเห็นว่าของทุกสิ่งทุกอย่างยึงที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราเช่นร่างกายนี้พวกเราก็จะคิดกันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ความจริงนี้เรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุสทรงเห็นว่าเรานี้เป็นดวงวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีรูปร่างหน้าตา ที่เราไม่สามารถมองเห็นจิตใจหรือดวงวิญญาณของเราเองได้ด้วยตาของร่างกายออถ้าเราอยากจะเห็นจิตใจเห็นดวงวิญญาณของเราเราต้องใช้ตาของจิตใจเป็นผู้ดออูแต่ตอนนี้ตาของจิตใจของพวกเรานี้ถูกปิดเอาไว้ เลยมองไม่เห็นตัวเราเพราะเราเปิดตานอกเพียงตาเดียวคือใช้ตาของร่างกายตาของร่างกายนี้มองเห็นแต่สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้คือจิตใจหรือดวงวิญญาณของพวกเรานี้ที่มาเกาะติดกับร่างกายนี้ ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่อีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกของจิตวิญญาณหรือโลกทิพย์อันนี้ถ้าเราอยากจะเห็นตัวเราผู้รู้ผู้คิดนี้เราต้องไปเปิดตาในวิธีเปิดตาในก็คือเราต้องปิดตานอกนั่งหลับตาแล้วก็ดึง ดึงใจผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกายให้แยกออกจากกันชัว่วข่าวด้วยการใช้สติคือคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะได้รับเพื่อที่จะได้ดังับความคิดปรุงแต่งที่เป็นตัวดึงจิตใจ ผู้รู้ผู้คิดนี้ให้มาเกาะติดกับร่างกายพอเราสามารถทำจิตใจไม่ให้คิดได้จิตใจจะนิ่งจะสงบแล้วจะแยกออกจากร่างกายชั่วขา่าวจะเหลือแต่จิตใจอยู่ตามลำพังจะเห็นผู้รู้ปรากฏขึ้นมาในใจของเรา แลเราจะได้รู้ว่าตัวจริงของเรานี้อยู่ที่ผู้รู้ผู้คิดนี่แต่ตอนนี้ผู้คิดได้หยุดทำงานลงก็เลยเหลือแต่ผู้รู้เพียงผู้เดียวใจคือผู้รู้แต่ใจมีเครื่องมือคือความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นเครื่องมือของใจ เราเรียกว่านามขันมีสี่อาการด้วยกันคือมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้จำรูปที่เห็นได้จำเสียงที่ได้ยินได้เรียกว่าสัญญาหมายรู้ สังขารคือความคิดปรุงแต่งความคิดของเรา <c oughs> เช่นวันนี้เรามาที่นี่ได้ก็เพราะความคิดปรุงแต่งพาเรามานี่เอเราคิดว่าวันนี้เราจะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญพอคิดแล้วใจก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาวัดแล้วเราก็มามีวิญญาณ ที่มาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายใจจะรู้เรื่องที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นี้ต้องมีวิญญาณขันมาเกาะติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอตาได้สัมผัสกับรูป วิญญาณที่มาเกาะติดที่ตาก็จะส่งรูปนี้ไปให้ผู้รู้คือใจทันทีใจก็จะรู้ว่า อ, อ๋อตอนนี้มีรูปคนนั้นคนนี้ปรากฏขึ้นมาเวลาเสียงมากระทบกับหูเวิญญาณทางหูก็จะรับเสียงส่งไปให้ที่ใจผู้รู้ใจก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้มีเสียงเกิดขึ้นมาแล้ว แล้วพอได้รูปได้เสียงมาแล้วสัญญาก็จะเป็นผู้มาทำหน้าที่ต่อมาดูว่าเป็นรูปของใครเป็นเสียงของใครแล้วก็พอรู้แล้วว่าเป็นรูปของใครเสียงของใครถ้าเป็นรูปที่เราชอบก็จะเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาในใจถ้าเป็นรูปหรือเสียงที่เราไม่ชอบ ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเป็นรูปหรือเสียงที่เป็นกลางๆเราก็จะมีความรู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์นี่แหละคือตัวใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่มาได้ร่างกายจากพ่อแม่ พ่อแม่นี้เป็นผู้สร้างร่างกายที่มีอาการ32ร่างกายของเรานี้มีอาการ32คือโดยโดยอาการใหญ่ๆ32เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืด ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยอะในสมองศีรษะนี่เป็นส่วนที่เป็นอวัยวะแล้วส่วนที่เป็นน้ําก็มีอีกเช่นมีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเงือน้ําดีน้ํามันข้นน้ํามันเหลวน้ําตาน้ําลายน้ํามูกน้ําไข่ข้อน้ํามูด นี่เป็นส่วนประกอบของร่างกายในร่างกายนี้ไม่มีตัวผู้รู้ผู้คิดตัวผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเหมือ น, ค น, ค, นคนขี่ม้าคนขี่ร่างกายคนขี่ม้ากับคนขี่นี่เป็นคนละคนกันจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเหมือนคนมาขี่ร่างกาย ร่างกายนี้เป็นเหมือนม้าที่คนขี่จะสั่งให้ไปทาอะไรต่างๆเนี่ยใจนี้เป็นคนมาขี่ร่างกายมาเป็นผู้กํากับร่างกายเป็นผู้มาบัญชับบัญชามาสั่งให้ร่างกายทำอะไ ร, ร, รต่างๆนานาถ้าเรารู้ความจริงเหล่านี้ รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นใจรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องมีการพัฒนาไปตามลำดับจากทารกก็ไปเป็นเด็กจากเด็กก็ไปเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็จะไปเป็นคนแก่คนชรา จกคนแก่คนชราก็จะเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดร่างกายก็จะเป็นคนตายไปแล้วตายแล้วก็ไม่หยุดตรงนั้นร่างกายพอหยุดทำงานแล้วสิ่งที่มารวมกันสุนสิ่งที่มาสร้างร่างกายก็จะแยกออกจากกันสิ่งที่มาสร้างอาการสามสิบสองนี่คืออะไรก็คือธาตุสี ได้ก่รธาตุดินธาต้น้ําธาตลมธาตไฟลมก็คือลมที่เราเห็นเนี่ยลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าธาตลมเวลาตอนที่ร่างกายมีชีวิตอยู่ร่างกายจะอยู่ได้ต้องมีธาตลมมาสนับสนุนนอกจากธาตลมแล้วก็ต้องมีธาต้น้ําเราถ้าหิวน้ําอยู่เรื่อยๆแสดงว่าร่างกายกําลังขาดธาต้น้ำ เราก็ต้องคอยดื่มน้ำธาตุไฟก็เหมือนกันเวลาเกิดอากาศเย็นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายเราก็ต้องหาธาตุไฟมามาให้กับร่างกายเช่นไปอยู่ในห้องที่ปรับบอุณหภูมิได้อยู่ห้องที่หนาวอยู่ต่างประเทศนี้เขาจะมีเครื่องปรับอุณหภูมิให้ห้องนี้มันร้อนขึ้น เพื่อที่จะได้ให้ร่างกายมีธาตุไฟแล้วเวลาที่ขาดธาตุดินก็คืออาหารเราก็จะรู้สึกหิวข้าวร่างกายก็จะรู้สึกหิวข้าวก็ต้องหาข้าวหาอาหารมารับประทานนี่เป็นการทานุบำรุงร่างกายด้วยธาตุสีคือดินน้ำลมไฟ และเวลาสร้างอาการสามสิบสองเหล่านี้ก็ใช้ธาตุสีนี้เป็นตัวสร้างแต่สร้างอยู่ในขณะที่อยู่ในท้องมารดาท้องแม่ท้องแม่ น, นี้เป็นโรงงานผลิตร่างกายมีวัตถุดิบคือดินน้ำหลุมไฟส่งเข้าไปทางท่อทางสายสะดือเห็นเป็นตัวที่ไปสร้างให้เกิด อาการสามสิบสองขึ้นมาเกิดผมขนและฟันหนังเนื้อขึ้นมาจนเจริญเติบโตจนอยู่ในท้องไม่ได้ก็ต้องออกมาจากท้องแม่ออกมาก็ต้องหาธาตุสีด้วยตนเองต้องหายใจเองร่างกายต้องหายใจเองต้องหาต้องดื่มน้าเองต้องรับประทานอาหารเองต้องมีอ่า หาที่ความร้อนให้กับร่างกายร่างกายก็อยู่มาได้จเจริญเติบโตมาได้ความจริงถ้าดูถ้าพิจารณาอย่างนี้นละเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นระบบของดินน้ำลมไฟนี่อระบบเข้าออกของดินน้ำลมไฟในดินน้ำลมไฟผัดกันเข้าผัดกันออก อาหารที่เรากินเดี๋ยวก็ต้องถ่ายออกมาน้ำที่เราดื่มเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายออกมาลมที่เราหายใจเข้าไปเดี๋ยวมันก็ต้องหายใจออกมาเนี่นี่คือร่างกายของพวกเราเป็นระบบของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ก็เป็นระบบของ เครื่องจักรทำงานเครื่องจักรทำงานไปแล้วก็ทำให้มันวิ่งไปไหนมาไหนได้ดูเหมือนกับว่ามันมีชีวิตชีวาแต่รถยนต์จะไปไหนมาไหนได้นี้ต้องมีคนขับเป็นคนสั่งให้ไปร่างกายนี้ก็เหมือนกันถึงแม้มันจะมีชีวิตชีวาแต่มันจะไปทำอะไรได้นี้มันต้องรอให้มีคนสั่ง คนที่มาสั่งนี้คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่มามาขี่ร่างกายมาเกาะติดกับร่างกายผ่านกระแสของวิญญาณคือเวทนาสัญญาวิญญาณหได้แก่วิญญาณทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ผ่านทางคำสั่งความคิดปรุงแต่ง สั่งให้ทำนูน่ทนทำนี่นี่คือการแยกร่างกายแยกใจออกจากร่างกายเพื่อที่จะได้สอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจของพวกเรานี้ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องหวาดกลัวไปกับการเป็นไปต่างๆของร่างกาย และการเป็นไปต่างๆของร่างกายบางทีใจก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้บางเวลาก็พอที่จะห้ามได้ดูแลได้รักษาได้แต่บางเวลาก็จะห้ามไม่ได้เดนตอนนี้จะไปห้ามไม่ให้โรคหวัดมันเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ มีได้ก็เพียงแต่ป้องกันใส่หน้ากากหรืออยู่ห่างไกลจากมันอย่าไปอยู่ใกล้สถานที่ที่มีโรคระบาดแต่ถ้าเราไปติดอยู่ในสถานที่เหล่านั้นมันก็ห้ามไม่ให้เชื้อโรคมันเข้ามาในร่างกายของเราได้เชื้อโรคมันก็จะทำให้ร่างกายเราไม่สบายได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย ความวิตกกังวลความหวาดกลัวของใจนี้ก็จะไม่เกิดใจของเราก็จะเฉยเฉยรู้ว่านี่มันเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องที่เราบางทีก็ไปควบคุมบังคับไม่ได้มันจะไม่สบายก็ต้องดูแลมันไปมียาก็หามากินอมีหมอก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาล ถ้าหมอดูแลได้รักษาได้ก็หายได้ถ้าดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้ก็ตายได้ไม่ตายด้วยโรคระบาดมันก็ต้องตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่ดีเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่เกิดมาแล้วมันก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการ แยกตัวของธาตุทั้งสีคือดินน้ำลมไฟ เ, เวลาร่างกายตายไปถ้าเราไม่เอาไปเผาไม่ได้ไปทำอะไรนี่ถ้าทำแบบโบราณสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าร่างกายจะเริ่มธาตุที่มีอยู่ในร่างกายนี้ก็จะแยกออกจากกันเบื้องต้นก็คือธาตุลมก็ไม่เข้าแล้วมีแต่ออกไ ม, ไม่หายใจเข้าแล้วมีแต่ มีแต่ส่งกลิ่นออกมานี่คือธาตุลมแล้วธาตุ ท, าที่สองที่จะแยกออกจากร่างกายก็คือธาตุไฟร่างกายของคนตายนี้จะเย็นกว่าร่างกายของคนเป็นคนเป็นเวลาไปแตะร่างกายของคนตายเดี๋ยวจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกันแต่ถ้าคนเป็นกับคนเป็นไปแตะนี่จะรู้สึกว่าเหมือนกัน ธาตุไฟเป็นธาตุที่สองที่จะแยกออกจากร่างกายไปธาตุที่สามที่จะแยกออกจากร่างกายไปก็คือธาตุน้ำน้าที่มีอยู่ในร่างกายก็จะเริ่มไหลออกมาบ้างระเหยออกมาบ้างทิ้งร่างกายไปนานๆร่างกายก็จะแห้งกรอบเหลือแต่ธาตุดินส่วนที่แห้งกรอบนี้ก็คือขายผุพังกายเป็นดินไป นี่คือการศึกษาเพื่อให้จิตใจเราไม่ให้หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกมากังวลกับความเป็นไปของร่างกายถ้าเราไม่ได้ศึกษานี่เราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราจะทุกข์เพราะเราไม่อยากให้ร่างกาย เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปแต่ถ้าเราศึกษาตามความจริงของร่างกายแล้วเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครไปห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่มีใครไปห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ได้ไม่มีใครไปห้ามไม่ให้ร่างกายตายได้เมื่อถึงเวลามันก็จะต้องเกิดขึ้น แต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายคือจิตใจนี้ไม่ต้องทุกไปกับความเป็นไปของร่างกายได้ถ้ามีความรู้อันนี้รู้ว่าใจนี้กับร่างกายเป็นคนตัส่วนกันรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นใจร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย การศึกษาเรื่องของร่างกายนี้ต้องทำสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือต้องทำใจแยกใจออกจากร่างกายด้วยการฝึกทำสมาธิเวลาเราทำสมาธินี้เราจะดึงใจแยกออกจากร่างกายชั่วคราวคือจะถอดปลั๊กที่มาเสียบที่ร่างกายปลั๊กนี้เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณที่มาเสียบที่ตาหูจมูกนิ้นไก่เวลาเรานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธเราจะหยุดความคิดที่เป็นตัวที่ดึงใจให้มาเชื่อมติดอยู่กับร่างกายใจความคิดนี้จะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคิดว่าจะดูอะไรดีจะฟังอะไรดีจะไปดื่มอะไรดีไปรับประทานอะไรดีเนี่ย เราต้องหยุดตัวนี้ตัวที่คอยดึงใจให้มาเกาะติดกับร่างกายการทำสมาธินี้เป็นการแยกใจออกจากร่างกายชั่วคราวเพื่อที่ใจจะได้รู้ว่าเวลาใจไม่มีร่างกายใจก็ยังอยู่ได้และใจก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเสียด้วยซ้ำไปเราจะเห็นโทษของการมีร่างกายว่าเวลามีร่างกายนี้ ก็ต้องเจอกับความเจ็บความแก่ความตายของร่างกายสู้ไม่มีร่างกายดีกว่าต่อไปถ้ารู้ว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเพราะเวลาที่เราทำสมาธิทำใจให้สงบนี้เราจะได้ความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกาย ไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายออพอเราทำสมาธิได้แล้วทีนี้เราจะได้รู้แล้วว่า เ, ออเราไม่มีร่างกายเราก็อยู่ได้ไม่มีร่างกายเราก็มีความสุขได้ออและมีความสุขดีกว่าร่างกายซะ อ, อีกแล้วไม่ต้องมาวุ่นวายกับร่างกาย ถ้าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปเราก็ไม่มีร่างกายดีกว่าเพราะมีร่างกายถึงแม้ว่ามันจะหาความสุขให้กับเรามันก็เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราทุกเบื้องต้นก็ทุกเลี้ยงดูร่างกายทุกวันนี้เราต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองก็เพื่อที่ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเอาเงินทองมาซื้อ สิ่งที่ร่างกายต้องการนั่นเองซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคเนี่ยฮนี่ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการมีร่างกายขั้นที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งก็เลี้ยงดูร่างกายอันดับที่สูงท้องก็ทุกข์กับภัยต่างๆที่จะมาทําลายร่างกาย เห็นหร่างกายของเรามันมีข้าศึกศัตรูเยอะที่จะมาคอยทำลายมันตอนนี้ก็มีโรคแพร่ระบาดเนี่ยนี่ก็เป็นข้าศึกศัตรูของร่างกายนอกจากโรคระบาดโรคโรคต่างๆแล้วก็ยังมีภัยทางธรรมชาติอีกเดี๋ยวน้ำท่วมบ้างเดี๋ยวแผ่นดินไหวบ้างเดี๋ยวไฟไหม้บ้างเดี๋ยวพายุมาบ้าง นี่ก็เป็นความทุกข์เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับทางร่างกายที่ใจต้องเดือดร้อนไปกับความทุกข์ของร่างกา ย, ยแล้วก็ยังต้องมาเจอภัยของของสัตว์เดรัจฉานหรือมอนุษย์อีกก็ไปเจอสัตว์้ายก็อาจจะถูกสัตวรร์้ายกัดได้ไปเจองูก็อาจจะถูกงูกัดตายได้ เจอสุนัข ก, ก็อาจจะถูกสุนัข ก, กัดได้ถ้าไม่มีย า, าป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดสุนัขนั้นมีพิษสุนัขบ้าก็อาจจะตายได้มีสารพัดภัยต่างๆที่จะมาคุกคามร่างกายที่จะทำให้ใจต้องมาคอยวิตกกังวลการมีร่างกายอย่าไปคิดว่า จะได้ความสุขอย่างเดียวจริงอยู่ถ้าน่างกายแข็งแรงแล้วพร้อมที่จะพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายตอนนั้นเราก็จะหาได้แต่จะหาไปได้นานสักเท่าไหร่ต้องมีวันที่มันจะต้องสะดุดไม่สะดุดด้วยอาการด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะสะดุดด้วยการไม่มี เงินทองที่จะไปซื้อสิ่งที่จะมาให้ความสุขแต่ถ้าเรามาฝึกทําสมาธิมานั่งทําสมาธิทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นถึงแม้ร่างกายจะอดอยากขาดแคลน ความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่เข้ามาลบกวนใจถ้าใจมีความสุขถ้าใจมีความสงบใจจะรับกับความทุกข์ยากของทางร่างกายได้ใจจะรับกับความเจ็บไายได้ป่วยของทางร่างกายได้ใจจะรับความตายของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะทานอย่างไม่มีความเดือดร้อนเลยนี่แหละคือสิ่งที่พวกเรา ยังไม่มีกันพวกเรายังไม่มีวิธีที่จะแยกไม่รู้จักวิธีที่จะแยกตัวเราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ให้ออกจากร่างกายไม่รู้วิธีที่จะปล่อยวางร่างกายว่าปล่อยวางได้อย่างไรเราจึงต้องมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่รู้วิธี ที่จะแยกใจออกจากร่างกายผู้ที่จะสอนใจให้รู้จักปล่อยวางร่างกายปล่อยวางแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปต่างๆของร่างกายแล้วใจก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเราจะรู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกาย หาความสุขด้วยการทําใจให้สงบแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าและเป็นความสุขที่ถาวรกว่าร่างกายตายไปแล้วใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ยังมีความสุขต่อไปได้มีแบบชั่วคราวกับมีแบบถาวเรเบื้องต้นถ้าฝึกเพียงสมาธิก็จะได้ความสุขแบบชั่วข้าว ากำลังของสติพอสติอ่อนกำลังลงความสงบก็จะหายไปความคิดปุงแต่งก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจได้แต่ถ้าเรารู้วิธีที่จะควบคุมความคิดได้ไม่ให้คิดไปในทางที่ทำให้ใจวุ่นวายได้ใจก็จะสงบ ต่อไปได้อย่างถาวรสตินี้เพียงแต่หยุดความคิดได้เป็นพักๆแต่ไม่สามารถห้ามความคิดไม่ให้คิดได้ตลอดเวลาต้องอาศัยปัญญาปัญญานี้ก็ไม่ได้มาหยุดความคิดเพียงแต่สอนให้คิดไปในทางที่จะทําให้ใจไม่วุ่นวายทําให้ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสอนให้เห็นว่า สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่ใจคิดว่าให้ความสุขนี้ความจริงแล้วมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวได้ใหม่ๆเวลาได้มาใหม่ๆก็ได้ความสุขแล้วพอเกิดมีการพัดภาคจากกันความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือ การใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เลิกหาเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะตัวร่างกายเองก็เป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีก็รับใช้เราห า, หาความสุขให้กับเราได้บางทีก็ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ และไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องตายไปถ้าตายไปแล้วเราก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้จนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่ถ้าเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่พอร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ตายไปใจของเรานี้ก็จะไปรอหา รับร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่เหมือนกับที่เรามาเกิดในชาตินี้ก่อนที่เรามาเกิดในชาตินี้เราก็มีร่างกายอีกร่างหนึ่งในชาติก่อนแล้วร่างกายในชาติก่อนมันตายไปแต่ใจของพวกเรานี้ยังอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจก็เลยไปหาร่างกายอันใหม่พอไปเจอพ่อแม่ตั้ง มีกำลังสร้างลูกคนใหม่ขึ้นมาเราก็เลยไปจับจองจับจองเป็นเจ้าของร่างกายนั้นแล้วพอร่างกายนั้นโตก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเราก็ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาหาความสุขแบบเดิมมาหาสิ่งต่างๆที่เราเคยหาที่เราอยากได้ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราก็หากันไปแล้วก็สุขบ้างแล้วก็ทุกบ้างตามเหตุการณ์เวลาได้ก็สุขเวลาไม่ได้ก็ทุกขเวลาได้มาแล้วก็ต้องมาทุกมาห่วงมาห่วงมากังวลแล้วเวลาเสียไปก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจ นี่คือผลของการที่เราหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากลาบยศสรละเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะพาให้เราไปเจอความทุกข์ต่อไปนี่คือการสอนใจให้เห็นโทษของการหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเพื่อที่เวลาออกจากสมาธิมา ความคิดความอยากมันจะมาหลอกมาจะมาชวนให้เราไปหาความสุขแบบเดิมอีกพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มีแต่ปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเราก็บอกว่าไม่เอาดีกว่า mm hmm. เหมือนถ้าเขามีสินค้าที่เขาเอามาขายแล้วต่อมามีนักวิทยาศาสตร์เขาไปวิเคราะห์ดูว่าสินค้านี่มีสารก่อมะเร็งเนี่ยแล้วเขาก็บังคับให้บริษัทที่ผลิต สินค้าชนิดนั้นให้ติดป้ายไว้ว่าใช้สินค้าอันนี้แล้วบริโภคสินค้า น, นี้แล้วจะเกิดโรคมะเล็งเนี่ยเราจะเราจะใช้ไหมเราจะบริโภคมั้ยนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ได้คน้คนคาค้นคว้าได้วิจัยแล้วว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ จะนำความทุกข์มาให้กับเราตอนต้นอาจจะเป็นความสุขเหมือนกับเครื่องดื่มที่มีสารพิษนี่เวดาดื่มมันก็ อ, อร่อยแต่เวลาสารพิษมันเข้าไปสะสมในร่างกายแล้วมันทําให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาในภายหลังการใช้ร่างกายหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นแบบนั้นเป็นการหาความทุกข์หาโรคมะเร็ง ที่จะมาทาลายจิตใจของพวกเราทาให้จิตใจของเราบันปวนวุ่นวายเนีย่ยเท่าโศกเสียใจวิตกกังวลหวาดกลัวกันต่างๆนานา น, านี้ก็เป็นผลจากการที่เรามาใช้ร่างกายมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เองเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์เนี่ย มันเป็นสารก่อมะเร็งจะทำให้จิตใจเราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันยังมีอยู่ก็มีความสุขเวลามันหมดลงเมื่อไหร่เวลานั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีมันไม่ได้เป็นของเราตลอดเป็นของชั่วคราว เราไม่สามารถไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดนี่คือการใช้ปัญญาในการที่จะทำให้ใจของเราที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยมี ป้ายติดไว้ที่ของที่เราจะบริโภคว่าระวังอันตรายบริโภคสินค้านี้แล้วจะเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาพอเห็นป้ายเราก็บอกไม่เอาดีกว่าดื่มน้ำเปล่าดีกว่าดื่มของที่ไม่มีสารพิษดีกว่าออนี่แหละคือสิ่งต่างๆที่เราบริโภคกันทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นทุกข์เนี เป็นโรกมะเร็งทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลานั่นเองฉันส่งสอนให้เราเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราพอเราเห็นว่ามันเป็นไตรักแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาดีกว่า มาหาความสุขที่ปลอดจากตายลักดีกว่าความสุขที่ปลอดจากตายลักก็คือการทาใจให้สงบอยู่เฉยๆนั่นเองไม่ไม่ไม่ไปทำตามความอยากฝืนความอยากหยุดความอยากพอเราฝืนได้ความอยากก็จะหมดกำลังไปเองคนเราที่ติดบุหรี่ติดราทำไมเขาเลิกได้ ที่เขาเลิกได้เพราะเขาไม่ทำตามความอยากเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ฝืนเหมือนเวลาอยากดื่มสุราก็ฝืนเหมือนฝืนไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดกำลังลงไปแล้วต่อไปก็ไม่มีความคิดความอยากที่จะสูบบุหรี่หรือดื่มสุราแต่ช่วงที่ฝืนเนี่ยมันจะทรมานถ้าไม่มีสมาธิแต่ผู้ที่มีสมาธินี้จะไม่ทรมาน พอสามารถทำใจที่ทรมานนี้ให้สงบได้เพราะเราได้ฝึกสมาธิทำสมาธิมาแล้วพอเวลาเกิดความอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นไตรรับเป็นทุกข์มันก็จะสร้างความทรมานให้กับใจพอเราเริ่มเกิดความทรมานเราก็ทำใจให้สงบด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไป เดี๋ยวใจสงบแล้วความทรมานใจก็หายไปความอยากที่จะพาให้เราไปทุกข์ก็หายไปต่อไปความอยากทุกชนิดก็จะหายไปหมดถ้าเราใช้วิธีนี้ใช้สองอย่างใช้ปัญญาให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักเป็นทุกข์ แล้วก็ใช้สมาธิใช้สติคอยทำใจให้นิ่งไม่ให้ใจสั่นได้ไม่ให้ใจทรมานได้พอใจไม่สัน่นไม่ทรมานใจก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากเหตุที่คนไปทำต้องไม่ทำตามความอยากกันก็คือเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันสัน่นใจมันงดยิจลำคาลถ้าไม่ได้แล้วมันจะดิ้นตายให้ได้ ต้องไปทำต้องไปได้สิ่งที่อยากได้ก่อนแล้วมันถึงจะสงบแต่สงบแบบนั้นมันเป็นสงบแบบชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีกต้องให้มันสงบด้วยสติอย่าไปสงบด้วยการทําตามความอยากเพราะมันจะไม่แก้ปัญหาความอยากมันจะไม่หมดจะอยากให้มันหมดนี่ต้องใช้ต้องแก้ด้วยสติด้วยปัญญาสอนใจให้ฉลาดให้อย่าไปทําตามความอยาก แล้วถ้ามันสั่นเราก็ใช้พุทโธพุทโธใช้สติช่วยช่วยเอาให้มันหยุดสั่นได้แล้วเราก็จะทนกับการทําตามความอยากได้คือเราจะไม่ต้องทําตามความอยากได้ต่อไปเราก็จะชนะความอยากทุกรูปแบบที่จะมาเขย่าใจเรามาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา ใจของเราต่อไปก็จะไม่มีความอยากมาสร้างปัญหาให้กับเราอีกต่อไปพอความอยากต่างๆหมดไปจากใจใจของเราก็จะสงบไปตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขังขึ้นมาเป็นนิบานังปรมังสุขขังขึ้นมาใจที่ได้กาจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วเรียกว่านิพพาน นิพานไม่ได้เป็นสถานที่นะไม่ได้เป็นเชียงใหม่ไม่ได้เป็นภูเก็ตแต่เป็นใจของเราที่พลิกจากการมีความอยากกลายเป็นใจที่ไม่มีความอยากถ้าเปียบก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ได้รับการซักพอกแล้วเสื้อผ้าที่โสกโปกพอเราไปซักคราบโสกโปกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าก็จะหลุดออกไปทำให้เสื้อผ้าส ะ, สะอาดน่าใช้ ถ้าเสื้อผ้าสกปรกเนะี่ยมันไม่อยากใส่กันมันส่งกลิ่นเหม็นฮแต่ถ้าเอาไปซักเสร็จแล้วนี่เอามาใส่นี่มันสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นใจก็เหมือนกันใจที่ได้รับการชำระด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็จะปราศจากคาบของความอยากต่างๆ แต่จะจากความอยากที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆเนี่ยใจที่ไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์เราเรียกว่านิพพานนั่นเองอผู้ที่ มีใายช่นนี้เราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทําไมเราถึงเรียกพระพุทธเจ้าไม่เรียกพระไม่เรียกพระพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าด้วยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ค้นพบวิธีซักพอกใจได้ด้วยตนเองแต่พระอรหันต์นี้ต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนให้รู้จักวิธีซักพอกใจถึง ถึงซักฟอกใจของตนเองได้พระอรหันต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพ่อแม่ของพระอาหารหันต์ทั้งหลายพาาระอรหันต์นี้จะเรียกตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ค้นหาวิธีซักฟอกใจด้วยตนเองได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งจึงมีพระอาหารหันต์สองแบบ พาาระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซักพอกใจของตนเองด้วยการค้นคว้าหาวิธีด้วยตนเองส่วนพาาระอรหันตสาวกนี้เป็นผู้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าวิธีชักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ความสะอาดบริสุทธิ์ก็เหมือนกันนิพพานของพระพุทธเจ้ากับนิพพานของพออระอรหันต์ก็เหมือนกันไม่ต่างกันเป็นปรมังสุขขังเหมือนกัน ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันต่างกันตรงที่ที่มาพระพุทธเจ้านี้ต้องเป็นคนค้นหาวิธีเองแต่ภาษาพวกนี้สบายอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนนี่คือเรื่องของความทุกข์ใจของพวกเราทั้งหลายนี้จะได้รับการกาจัดให้หมดไปได้ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้กัน คือมาฝึกสติกันมาฝึกปัญญากันเพื่อที่เราจะได้เห็นความจริงว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันและความสุขที่เราหาผ่านทางร่างกายเป็นความสุขที่จะนำความทุกข์มาให้กับเราเราก็หยุดเสียหยุดทำตามหยุดความอยากที่จะพาให้เราไปหาความสุขต่างๆพอเราหยุดได้แล้วใจของเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมา หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถึงแม้ร่างกายยังไม่ตายก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะแก่จะตายก็ไม่เป็นปัญหาของใจที่เป็นนิพพานไปแล้วนะเพราะไม่มีความอยากให้ร่างกายเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรมันจะเป็นก็ปล่อยมันไปเพราะดูร่างกายเหมือนกับดูร่างกายของคนอื่นนั่นเอง เห็นไหมเราเดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นไหมฉันใดใจที่เป็นนิพพานนี่ก็จะไม่เดือดร้อนกับร่างกายของตนเพราะจะเห็นว่าร่างกายของตนก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นนั่นเองนี่คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวหาปุราปิริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอโตทิน e ังเปตานังอุปกาปฏิอิชิต an ังปฏิตังตุมห um ังคิปะเมวาสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนาราโสยตามณิโชติอราโสยตาสะพีติโยวิวะจันโตสะพารโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทิขายุโกภวา พิวาทานาสิลิตานิจังวุธาปจายโนจตารุทามวาทานติอายุวโนโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถามได้ช่วงเดียวนะหลังจากแรกแล้วก็จะขอยุดติเพราะต้องมีภารกิจมีเรื่องอย่างอื่นต้องทำต่ออยากจะถามถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะทาง f a c e b o o สามร้อยปดสิบสามค่ะทาง y o u t u สามร2อยสิบสอง ทางวิทยุออนไลน์17คนผู้รับฟังบนเขา62คนรวมทั้งหมด784คนค่ะมีคำถามเข้ามาเรือยังถามได้เลยคำถามจากคุณดิศยาค่ะหลวงตามหาบัวเคยเทศว่าท่านเคยดูลมหายใจอย่างเดียวแต่สมาธิเสื่อมไปเพราะเผลอสติถ้าใช้พุโทโธจะไม่เผลอแต่ตัวคุณดิศยา ถนัดดูลมหายใจอย่างเดียวมากกว่าแบบนี้จะทําให้เกิดปัญหาสมาธิเสื่อมในอนาคตหรือเปล่าคะไม่หรอกถ้าเราทําอย่างต่อนเนื่องถ้าเราหยุดทําไม่ว่าเราจะใช้แบบไหนมันก็เสื่อมทั้งนั้นมันไม่ได้เสื่อมเพราะว่าใช้แบบนี้หรือใช้แบบนั้นมันเสื่อมเพราะไม่ทําถ้าทํามันก็ไม่เสื่อมคุณอาจจะเข้าใจผิดอ่านฟังท่านผิดแล้วก็มา พูดตามความเข้าใจที่สมาธิเสือ่อมเพราะท่านไปท่านไปทำกรดอยู่เดือนหนึ่งช่วงนั้นท่านบอกใจมันคิดอยู่แต่เรื่องกรดมันเลยไม่ได้ไปนั่งสมาธิพอทากรดเสร็จแล้วกลับกลับมานั่งสมาธิเข้าไม่ได้นะครับเหมือนลืมกุญแจไม่รู้ว่ากุญแจหายไปไหนก็เลยต้องไปค้นหาในที่สุดก็พบว่ากุญออแจคือพุทโธ ท่านก็เลยกลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ทั้งวันเพราะจะดูลมมันตลอดเวลามันไม่สะดวกเหมือนกับการบริกรรมพุทโธดูลมนี้สะดวกตอนที่เรานั่งแต่เวลาที่เราทำภารกิจอย่างอื่นนี้ใช้พุทโธดีกว่าทำงานอะไรก็พุทโธไปเดินจงคมก็พุทโธไปอย่างนี้จะมีสติคอยควบคุมความคิดพอเวลามานั่งสมาธิมันก็สงบได้ง่าย ถ้าจะมาสร้างสติตอนที่มานั่งไม่ได้นะเช่นพอมานั่งมาเริ่มพูโทโธมันไม่พูโทโธสิมันพูดโธได้สองคำมันไปแล้วมันจะไปคิดถึงเรื่องที่มันเคยคิดแล้วถึงต้องฝึกสติตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่นั่งเท่านั้นถึงจะเข้าสมาธิได้คำถามจากคุณกาละยาธิดาค่ะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าได้กาจัดกิเลสนั้นๆเช่นปฏิฆะออกไปจากจิตใจได้แล้วจากวิปัสสนาภาวนาพิจารณาด้วยปัญญาคะก็ดูสิเวลาเมื่อก่อนเราอยากอนนี้เราอยากหรือเปล่าเช่นคนดื่มสุรานี้ เวลาอยากดื่มโซลาเป็นยังไงเวลาไม่อยากดื่มโซลาเป็นยังไงมันก็จะเห็นความแตกต่างถ้าเห็นเห็นขวดโซลาปั๊บเคยอยากปั๊บมันยังอยากรู้เปล่าถ้ายังอยากอยู่ก็แสดงว่ายังไม่หมดะคนที่เห็นแฟนปั๊บก็ยังอยากจะนอนกับแฟนอยู่นี่ก็แสดงว่ายังไม่หมดเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ดูไปทดสอบดู ไม่ใช่มานั่งคิดเอาเฉยๆว่าเราไม่มีความอยากแล้วแฟนเฟินไม่อยากมีแล้วตอนไม่มีมันก็พูดได้นะเดี๋ยวเกิดใครมีใครมาจีบเข้าเนี่ยมันยังจะพูดได้หรือเปล่าคำถามที่สองค่ะเคยทราบว่าการปฏิบัติสมาธิจะกดทับกิเลสไว้ดังนั้นจะทดสอบปฏิฆะกับจิต ควรหยุดการทำสมาธิสักระยะเพื่อสังเกตจิตไหมคะอ๋อไม่ต้องหยุดนะตอนออกจากสมาธิมาก็สังเกตได้พอออกจากสมาธิมาพอเห็นแฟนเห็นคนนั้นคนนี้ดูเรื่อใจมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาหรือเปล่าไม่ต้องไปหยุดอย่าไปหยุดสมาธิยิ่งหยุดตอนยู่ยิ่งไปกันใหญ่สมาธินี่เราไม่ได้ทำตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาออกจากสมาธิมานี้เราก็สามารถ ทดสอบดูใจของเราได้แล้วว่าใจเราเริ่มมีปฏิฆะมีการมราคะมีอะไรหรือเปล่าคำถามจากคุณพิซซี่ค่ะกรับนมักนส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอถามว่าถ้าจิตอยู่กับความว่างบ่อยๆจนในที่สุดเป็นปกติจะทำให้ไม่เกิดอีกต่อไปได้ไหมคะยังหรอกว่าความว่างนี้เป็นความว่างที่ยังไม่ได้รับการกาจัด คือกิเลสมันเหมือนตกตะกอนครกิเลสมันมันสงบตัวลงกับความว่างมันเดี๋ยวพอออกมาจากความว่างมาเห็นนูน่นเห็นนี่ ค, นนคิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวกิเลสมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้ามันออกมาแล้วไม่มีกิเลสแล้วก็ถือว่าไปนิพพานได้แต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ยังโลภยังโกรธอยู่ยังหลงยังอยากได้นูน่นอยากมีนี่อยู่ก็แสดงว่ายังไปไม่ไปไม่ถึง น, นิพพาน คำถามจากบนเขาค่ะจากเพื่อนทางบ้านฝากมาค่ะถ้าเราเห็นรูปสัตว์ที่ตายแล้วหรือคนตายแล้วเราดูรูปนั้นแล้วนึกอธิษฐานอุทิศบุญให้เขาเขาจะได้รับไหมคะ อ, อ๋อไม่ได้หรอกเจ้าอุทิศบุญต้องต้องซื้อบุญต้องทำบุญก่อนต้องไปบริจาเข้าวของเงินทอง ถ้าทำให้เกิดบุญคือทำทานครัทำทานแล้วทีนี้ก็จะเกิดบุญคือความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญคือความสุขใจอิ่มใจให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไม่ใช่นั่งเฉยๆดูภาพเขาแล้วก็นึกขอขอส่งบุญไปบุญก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับตั๋วแลกเงินเนีย เราสมัยก่อนทางไปรษณีย์ถ้าเราอยากจะส่งเงินให้คนอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไปที่ไปรษณีย์แล้วก็ไปซื้อตั๋วแลกเงินแล้วก็ส่งตั๋วแลกเงินไปให้เขาอันนี้ก็เหมือนกันเราจะส่งบุญให้ผู้ที่ล่วงลวไปแล้วเราก็ต้องไปซื้อซื้อบุญไปทำบุญพอเราทาบุญแล้วได้บุญในใจแล้วเราก็ส่งไปด้วยการระลึกได้เลย ว่ขอทิศความรู้สึกกันนี้คือความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ตายไปแล้วเพราะผู้ที่ตายอาจจะยังมีความทุกขุมโหอดวงวิญญาณอยู่พอได้รับบุญของเราได้ความสุขของเรามันก็จะไปทําลายความทุกข์ใจของเขาได้คําถามจากคุณเดลต้าเคค่ะถ้าหากเรากําลังเผชิญกับความตายจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เราไปดีที่สุดกอ ปองได้ก็ดีที่สุดเนี่ยปล่อยเลยมันจะปล่อยได้หรือเปล่ปาถ้าไม่เตรียมตัวค่อยก่อนของนี้ไม่ใช่นึกนึกปุ๊บจะทําได้ปั๊บเนี่ยเนี่ยต้องมาฝึกก่อนต้องมาฝึกมาซ้อมก่อนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายจะต้องตายเอแล้วเราก็ดูเสว่าเราปล่อยมันได้หรือเปล่ปาถ้าอยากจะรู้ว่าปล่อยได้ไม่ได้ก่อนตายจริงก็ไป เอาร่างกายไปอยู่ที่มันน่ากลัวสิที่มันอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายได้เช่นไปอยู่ในป่าคนเดียวแล้วพอได้ยินเสียงสัตว์มันคารามขึ้นมานี่ดูสิว่าใจเราเฉยได้หรือเปล่าถ้าใจเราเฉยได้ถ้าคิดว่าสัตว์จะมาทําลายมากัดร่างกายเราก็เฉยได้แสดงว่าเราเราปล่อยได้ ถ้าเราปล่อยได้แล้วเวลาเราตายก็เราก็จะทําได้เราก็จะเฉยๆไปเวลาร่างกายจะหายไม่หายใจจะตายเราก็ทําใจเฉยๆไปใจเราก็จะสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายคําถามที่สองค่ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตที่จิตเข้าไปยึดติดถือเอาร่างกายของเรามาเป็นตัวเป็นตน เราจะสอนจิตยอย่างไรให้เห็นความเป็นจริงแล้วปล่อยวางได้เพื่อให้สามารถพ้นทุกข์หรืออาจจะวางในระดับต้นก่อนก็ดูที่มาที่ไปของร่างกายเนร่างกายมันมาได้ยังไงถ้าไม่มีธาตุสีมันเกิดขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่มีธาตุสีเวลาออกจากท้องแม่มาแล้วถ้าไม่เติมธาตุสีมันจะเติมขึ้นมาได้เปล่า ถ้าไม่เติมน้ําเติมดินเติมลมเติมเติมไฟให้กับร่างกายร่างกายมันจะเติบใหญ่ขึ้นมาได้หรือเปล่าเนียอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องของธาตุสี่ทั้งนั้นคือร่างกายแล้วเวลาร่างกายตายไปธาตุสี่มันก็แยกออกจากกันไปเห็นร่างกายมันไม่มีตัวเรามันเป็นเรื่องของธาตุสี่เท่านั้นเองเราต้องศึกษาจนกระทั่งเราเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้ว ท่านต่อไปเราก็ยังต้องไปสอนใจให้ปล่อยนอกจากสอนว่ามันไม่ได้เป็นเราแล้วเราก็ต้องไปฝึกปล่อยวางมันวิธีที่จะปล่อยร่างกายที่ไม่ใช่เราได้เราก็ต้องแยกตัวเราออกจากร่างกายไปแยกด้วยการฝึกสมาธินี่ไปนั่งสมาธิปั๊บพอจิตสงบจิตก็จะแยกออกจากร่างกายแล้วร่างกายเป็นอะไรจิตก็จะไม่เดือดร้อน ต้องทำสองอย่างทำทั้งสมาธิทำทั้งปัญญาถึงจะสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้อย่างสมบูรณ์คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะนั่งสมาธิเสร็จก็จะนอนพักผ่อนลมหายใจค่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆจนหายไปตัวกลับลอยขึ้นไม่นิ่งเลยค่ะไม่ถูกทางใช่ไหมคะควรทำยังไงคะ ต้องมีสติอยู่กับอารมณ์คือพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่านอนเฉยเฉยอย่านั่งเฉยเฉยเดี๋ยวจิตมันก็สแสดงอาการแปลกๆเหล่านี้ให้ให้ปรากฏขึ้นมาถ้ามีพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตก็จะเน่งจะสงบหรือดูลมหายใจเข้าออกไปอย่านั่งเฉยเฉยอย่าดูอย่าไม่มีอะไรคอยกำกับใจคำถามจากคุณคิมโยก ค, คะ่ะ หวยใต้ดินผิดศีลกรรมบทสิบหรือไม่คะมันผิดกฎหมายไงผิดกฎหมายก็แสดงว่าออมันก็ผิดสังคมแล้วจะผิดกรรมบทสิบหรือไม่นี้ก็แล้วแต่ว่าอมันมันเป็นอาชีพที่ไม่ชอบมันเป็นวิชาอาชีพเถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปช่อกงไม่ได้ไปลักทรัพย์ของผู้อื่น แต่มันก็เป็นอบายอมุกที่เมื่อทําไปแล้วต่อไปก็จะทําให้ไปทําผิดศีลต่อไปได้คําถามจากคุณอรนุชค่ะถ้าเรามีเวลาจํากัดควรจะแบ่งเวลาระหว่างนั่งสมาธิกับฟังธรรมอย่างไรคะก็แล้วแต่เราเนี่ยเราอยากจะฟังมากหรือฟังน้อยอยากจะนั่งนา่นั่งน้อยเราก็แบ่งไปตามความต้องการของเราได้ไม่มี ไม่มีสู่ตายตัวถ้าเราคิดว่าเรายังขาดปัญญาขาดความรู้หรือว่าเรานั่งสมาธิเองยากเราฟังธรรมไปนั่งสมาธิควบคู่ไปด้วยเราก็ได้ได้ิงนกได้นกสองตัวด้วยการใช้กระสุนนัดเดียว เพราะการฟังธรรมนี้สามารถเป็นการฝึกสมาธิได้ด้วยและเป็นการเรียนรู้ก็ได้ด้วยพร้อมๆกันแต่ถ้าเรานั่งสมาธิอย่างเดียวเราก็จะได้แต่สมาธิจะไม่ได้ความรู้ได้ปัญญานี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราต้องการความรู้มากหรือน้อยถ้ามีความรู้น้อยก็อาจจะฟังธรรมน้อยหน่อยแต่ควรจะฟังอยู่เรื่อยๆเพราะความรู้เรายังไม่ครบสมบูรณ์ คำถามจากคุณภัยทูลค่ะปฏิปทาที่พระอาจารย์ดำเนินขณะฝึกภาวนาสมัยที่พระอาจารย์เป็นคาราวาสสามารถยิดเอาเป็นแบบดำเนินของคาราวาสผู้ปฏิบัติธรรมที่บ้านได้หรือไม่ครับได้ก็ลองทำดูเลยคำถามจากคุณสำรองค่ะเมื่อรูปเกิด เวทนาสังขารวิญญาณก็เกิดไม่ทราบผมเข้าใจถูกไหมครับถ้าใช่แล้วเวลาเราอยากให้รูปดับเราควรต้องทำอย่างไรครับรูปที่เกิดขึ้นมาเป็นการที่จิตสมมุติขึ้นมาใช่ไหมครับรูปนี้มันมาทางตามันมีสองทางมาทางตาเนี่ยตาเราพอเราลืมตาปั๊บก็เห็นรูปพอเห็นรูปแล้วมันก็ส่งมาที่ใจผ่านทางวิญญาณจักขุวิญญาณ ส่วนรูปอีกอย่างมันเกิดขึ้นในใจเองเช่นเรานึกถึงรูปที่เราเคยเห็นมาอันนี้ก็เกิดจากสัญญาสังขารคิดปรุงแต่งขึ้นมาอมันก็เป็นมันก็เป็น เ, เรียกว่าอายัตนะก็ได้นอายตนะมันเป็นตายักมันเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไปยุ่งด้วยความอยากมันก็จะทาให้เราเกิดความ ทุกใจหรือเกิดความเสียใจได้ถ้าเราอยากได้รูปนั้นแล้วเราไม่ได้ตามความอยากของเรายันเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นอะไรก็ดีได้ยินอะไรก็ดีให้สักแต่ว่ารู้ให้สักแต่ว่าเห็นให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากใ ห, ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เร้าใจของเราจะไม่ทุกข์กับรูปต่างๆที่เรารับรู้ หมดแล้วเนละคํะคำถามค่ะคำถามจากคุณพิมพค่ะเวลานอนนอนหลับจิตสํารวมเข้าสมาธิเองโดยอัตโนมัติได้ไหมคะเพราะนอนท่องพุโทโธจนหลับค่ะไม่ได้หล้วเพราะว่าเวลาหลับมันไม่มีสติมันไม่เป็นสมาธิมันเรียกว่าหลับไงถ้าไม่หลับก็ต้องมันต้องตื่นมันต้องรู้สึกตัวที่ว่าจิตสงบงถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิ ดังเวลานั่งสมาธิถ้าไม่มีสติแล้วมันสงบมันก็ไม่ได้เป็นความสงบของสมาธิแล้วมันเป็นความสงบของความหลับเพราะผู้นั่งไม่รู้วัดไม่รู้สึกตัวใช่แล้วตอนนั้นมันรู้สึกตัวอีกที่ตอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้หรือว่าเวลาเสียงนาฬิกาดังปลุกขึ้นมาแล้ว อย่างนี้นั่งหลับไม่ใช่นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิก็เหมือนเรานั่งตรงนี้แล้วนั่งคุยกันแล้วพอเราไม่พูดไม่คุยกันเราก็รู้ว่าไม่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเวลานั่งสมาธิตอนต้นมันก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็จะรู้แต่เราไม่สนใจเราก็พุโทโธไปดูลมไปเดี๋ยวพอจิตมันนิ่งปุ๊บความคิดก็หายไปแตตัวรู้ก็ยังอยู่ตัวสติก็ยังอยู่ไม่ได้หายไป คำถามสักคุณแม็เชอร์ค่ะไวรัสถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหรือไม่ครับมีวิญญาณเข้าไปครองหรือเปล่าครับไม่มีแล้วเป็นเพียงแต่สิ่งที่มีชีวิตเหมือนต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าก็มีชีวิตแต่ไม่มีดวงวิญญาณสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะมีดวงวิญญาณไปครอบได้ต้องมีอายตนะต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายถึงจะสามารถมีดวงวิญญาณไปเกาะได้ เพราะดวงวิญญาณนี้ต้องการตาหูจมูกนิ้วกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง mm hmm. ยันดวงวิญญาณจะไม่ไปเกาะที่ต้นไม้บางคนคิดว่ามีดวงวิญญาณอยู่ตามต้นไม้ไม่มเีเป็นความเชื่อว่าเล่ห์ก่าเป็นลูกขัดเทวดามั่งเป็นอะไรบ้างเห็นไหมบางคนเจอต้นไม้ต้องเอาผงเอาผ้ามาห่อให้ต้นไม้เหมือนกับมาห่อให้กับเทวดาที่อยู่ต้นไม้นั้น ไม่หรอกมันไม่มีอะไรให้ดวงวิญญาณเกาะดวงวิญญาณต้องการตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไปเกาะมันทําไมเกาะแล้วมันก็ไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นลดตามความอยากของมันหมดนแล้เอย นะสิ่งที่ไม่มีตาหูจมูกนิ้นการนี่ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีดวงวิญญาณถึงแม้จะมีชีวิตก็เป็นมีชีวิตแบบไม่มีดวงวิญญาณข่ามันก็ไม่บาปนะาสิ่งที่ไม่มีดวงวิญญาณเกาะไม่บาปตัดต้นไม้นี่ไม่บาปนะแต่สมัยโบราณคนเชื่อว่าต้นไม้มีชีวิตพระพุทธเจ้าเลยต้องห้ามพระไม่ให้ไปตัดต้นไม้เพราะกลัวชาวบ้านเขาจะขราหานินทาว่าไป ทำผิดศีลไปฆ่าสัตว์ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ความจริงมันมีชีวิตแต่มันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีการรับรู้เวลาเราฟันกิ่งมันมันไม่เจ็บมันไม่รู้ว่ามันเจ็บแต่ถ้าไปฟันแขนคนนี่มันถึงจะรู้ว่าอ๋อเจ็บนพอเจ็บแล้วเขาจะโกรธเราเขาก็จะอาฆาตพยาบาทเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราไปที่ไม่ทําบาปก็เพื่อไม่ให้ไปมีเจ้ากรรมนายเวรมาจองเวรจองกรรมเรา แล้วก็ไม่มีกรรมที่จะต้องไปชดใช้ในบายดัยงนั้นถ้าเราทำลายสิ่งที่มีชีวิตวเช่นพวกพยาธิเห็นหมกินยาถ่ายพยาธิมันอยู่ในท้องเราเนี่ยมันก็ไม่มีตาหูจมูกลินกายสัตว์พวกนี้มันก็สามารถที่จ ะ, ะทำลายมันได้เชื่อโรคต่างๆในร่างกายก็กินยาฆ่ามันได้มันมีชีวิตแต่มันไม่มีดวงวิญญาณนะ เดี๋ยวขอหม่ไปหน่อยนะว่าจะได้ยินเสียงช่วยส่งหมาไปให้ทางคุณโยมหน่อยกราบกราบนวัตการพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ที่มีคนถามว่าเรื่องการอุทิศบุญอะนะคะพระอาจารย์ว่าต้องซื้อตัว๋วเหมือนตั๋วแรกเงินหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแลเจริญภาวนา น, นี่เราสามารถอุทิศได้ไหมคะคือมันเป็นบุญที่ยังไม่สมบูรณ์ การรักษาสีนการนั่งสมาธิเรายัางไม่ได้ผลนะเป็นแบบเหมือนเด็กนมลูกคุกคานอยู่หรือเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้อยู่มันยังไม่ออกดอกออกผล ไม่เหมือนกับทําบุญทําทานนี้มันได้ผลทันทีหมายถึงว่าจิตเรายังไม่ไม่สับไม่ได้สัมผัสกับความสุขใจแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเกิดหมายถึงว่าเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความสุขใจจิตเราว่างเราเราก็ลองดูอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวถึงท่านกล่าวเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ทําบุญทําทานไปอันนั้นจะชัดเจนกว่ามันง่ายกว่าด้วยสําหรับคารวะผู้คลองเรือนคือในกรณีนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาถาม เกี่ยวกับเรื่องดวงวิญญาณที่มารบกวนพระเจ้าก็บอกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการบุญก็ทําบุญส่งไปให้เขาไปก็คือเป็นทานบารมีจะชัดเจนกว่าอ่าใช่มันแน่นอนกว่าค่ะแล้วอย่างอย่างบางทีเราอยู่วัดเราสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการอุทิศบุญเลยอย่างเงี้ยเพาเป็นความเข้าใจของเราไปแต่มันไม่ได้เป็นการกระทํามันไม่ใช่เพราะศีลเราบางทียังไม่บ่อยสุดธิ์ขาดกันเกินสมาธิก็ไม่สงบ อย่างนี้จิตฟุ้งซ่านอยู่นะแล้วถ้าเราเรารึกถึงอดีตบุญในอดีตแล้วเราจะจะอุทิศได้ไหมคะมันเก่าไปแล้วมันไม่เหมือนอุทิศอันมันมันไม่แรงใช่ไหมคะจิตมันไม่แรงใช่คือทําปุ๊บไม่แรงคือทําปุ๊บก็ต้องอุทิศทันทีเลยนะคะใช่ค่ะใช่บาทใส่ก็ไม่ต้องรอผ้ามายักถาสับพีไม่ต้องมีน้ําำนั่งตรงนั้นแล้เล็กอธิษฐานไปภายในจิตเลยในจิตก็ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้น้ําก็ดูที่ใจเราพอเราทําบุญเสร็จเรารู้สึกสุขใจอิ่มใจ <Okay. S 2> แล้วเราอทิศไปเลยเพราะถ้าเราเราไปทําธุระอย่างอื่นเดี๋ยวมีเรื่องอื่นเข้ามาสร้างความวุ่นวายใจไอ้บุญนั้นก็ถูกกบเอาไว้อะไรส่งไปไม่ได้แล้วหามันไม่เจอมันเอกสารชิ้นหนึ่งอ่ะพอเราไปทํางานแล้วก็มีเอกสารหลายชิ้นมามาที่เราต้องคอยดูแลเ อ, เอกสารชิ้นที่เราต้องการจะส่งไปไม่รู้หายไปไหนแล้วม <Okay. S 2> านั่งนึกถึงมันก็อาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ oh. ทำแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆ ยันทำบุญเสร็จก็กดน้ําไปเลยไม่ต้องใช้น้ําก็ได้คําว่ากวดอุทิศไปเลยดีกว่า ท, ที่เขาใช้น้ําเพื่อเป็นตัวอย่างว่านี่คือบุญเวลาเราเทน้ําจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งเหมือนกับส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งค่ะแล้วถ้าเกิดเราเราทําบุญตรงนี้แล้วเราสามารถถวายแด เออเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยจะจะได้ไหมคะหรือว่ามันไม่มีความจำเป็นถ้าถวายเยอะมันก็ต้องแบ่งกันเลยถ้ามีร้อยบาทถว า, ายร้อยคนก็ไปคนละบาท <c oughs> อัอเหรอคะอันเหรอคะถ้าอยากจะถวายใคนที่ครับได้ร้อยก็ต้องถวายคนเดียวไปอ๋เอเหรอคะอ๋อยองเข้าใจว่าได้รับเท่เ<อ>าเกันทุกไม่เท่าหรอกงั้นก็ดีเนี่ยทสิบบาทก็ แจกให้ทุกคนทั่วโลกไปหมดเลยคะ่บุญสิบาทกับบุญร้อยบาทมันก็ต่างกันแล้วน้ําหนักความรู้สึกในใจมันก็ต่างกันแล้วก่อนอิ่มใจลองทําบุญสิบบาทกับทาบุญร้อยบาทดูสิสังเกตดูว่าใจรู้สึกอย่างไรคะเริ่มปติอย่างไงมากกว่ากันคก็โตผิดกันนะคะคะตารางของจิตมันก็แรงไม่เท่ากันค่ะใช่ค่ะกาบนมัสการเจ้าค่ะ คำถามจากคุณสุรศักดิ์ค่ะคนที่ตายแล้วจิตไปไหนคะจิตมันไม่ได้ไปไหนแล้วจิตมันก็อยู่ในโลกทิพย์เหมือนเดิมจิตมันไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตมันเพียงแต่มีการติดต่อกับร่างกายเชื่อมต่อกันด้วยกระแสของจิตคือวิญญาณแค่นั้นเองพอร่างกายตายไปกระแสที่ติดต่อกันก็ ขาดการติดต่อกันเหมือนโทรศัพท์มือถือสองเครื่องพอเครื่องหนึ่งเสียปั๊บกระแสที่ติดต่อกับเครื่องสองเครื่องก็หยุดไปเพราะว่าเครื่องหนึ่งไม่สามารถรับกระแสกลับจากอีกเครื่องหนึ่งได้จิตก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตก็อยู่ในโลกทิพย์จิตไม่มีรูปร่างมันเลยไม่ต้องมีสถานที่อยู่ว่าต้องอยู่ตรงสวรรค์ชั้นนู้นหรือสวรรค์ชั้นนี้อันนั้นเป็ น, นที่สวรรค์ชั้นต่างๆนี้คือความรู้สึกของใจ ว่ามีสุขมากสุขน้อยตัวจิตเองมันไม่มีรูปร่างมันเหมือนร่างกายที่จะต้องมีสถานที่เป็นที่ตั้งจิตนี่เป็นความว่างไม่มีสถานที่แต่เราเรียกตามความสมมติว่าอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็จิตก็จะเ ส, เสวยบุญเสวยบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญที่เราทำนี้มันไม่หายไปไหนมันจะเก็บสะสมไว้ในใจเรา ร่างกายตายไปจิตที่ยังต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ก็จะมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่เกิดจากการทําบุญหรือทําบาปแทนถ้าบาปมากกว่าบุญก็บาปก็จะส่งผลก่อนถ้าบุญมากกว่าบาบุญก็จะส่งผลก่อนนคาําาถมที่ค่ะ ถ้าเราเคยอยู่ร่วมกับพ่อแม่แล้ววันหนึ่งต้องลาจากกันจะต้องทำใจอย่างไรดีครับเพื่อให้มีชีวิตอยู่ให้ได้ต่อด้วยกำลังใจครับก็ต้องซ้อมว่าเราเกิดมามีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาทุกคนในที่สุดก็ต้องมีการจากกันถ้าเราคอยหมั่นสอนใจเตือนใ จ, นใจอยู่เรื่อยใจก็จะค่อยยอมรับกับความจริงอันนี้ พอยอมรับแล้วมันก็จะไม่รู้สึกเสียใจเหมือนกับเราเตรียมตัวรับกับฝนฟ้าอากาศถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกเราเตรียมตัวว่าถ้ามันไม่ได้มันจะตกพอถึงเวลามันตกเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเราคิดว่าฝนจะต้องไม่ตกจะ ไม่มีวันตกกับเราตกกับคนอื่นได้แต่ไม่ตกกับเราเนี่คิดอย่างนี้เดี๋ยวเวลามันตกใส่เรามันเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเหมือนกับ ก, การพัดพากจากกันเราไปคิดว่าไม่กับเราไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่เรามีจะอยู่กับเราไปจนวันตายแต่พอมันเกิดจากเราไปแบบกระทันหันหรือแบบไม่รู้ไม่ชี้ขึ้นมาเราก็ร้องหงอร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน แต่ถ้าเราคอยเตือนใจคอยซ้อมรับเหตุการณ์ไว้ก่อนพอเจอเหตุการณ์จริงเราก็จะเฉยได้คำถามจากคุณอังค่ะเวลาผมโกรธหรือจิตอาฆาตผมจะนั่งสมาธิแล้วหายครับแต่เวทนาไม่หายอันนี้ผมเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าครับ ก็ไม่เข้าใจคาว่าเวทนานี้หมายถึงอะไรถ้าเป็นความทุกข์ใจที่เกิดจากความโกรธถ้าความโกรธหายเวทความทุกข์ใจมันก็จะหายไปด้วยแต่ถ้าเป็นความทุกข์ทางร่างกายมันไม่หายหรอกเช่นเป็นไข้หวัดเวลาโกรธเล้วหายโกรธไข้หวัดก็ยังอยู่ต่อเวทนาทางร่างกายก็ยังอยู่ต่อไม่ได้หายไปกับความโกรธที่หายไปกับความโกรธก็คืออารมณ์เสียที่เกิดจากความโกรธนี่มันจะหายไป คำถามจากอาพระปางนาปกค่ะกระผมนอนหลับแต่จิตไม่หลับแต่ร่างกายสบายปกติจิตนิ่งมีความรู้สึกเห็นร่างกายตัวเองแบบนี้จิตฟุง้งซ่านหรือเปล่าครับจิตนิ่งมันจะฟุง้งซ่านได้ยงไงจิตนิ่งแล้วมันกมน็มันอาจจะหลับแต่เราคิดว่ามันไม่หลับหรือเราหลับแบบไม่ไม่เต็มที่หลับแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ก็ได้บางที เรามันอาจจะมีเรื่องค้างคะค้างค้างใจอยู่มันเลยทำให้เจ็บไม่หลับสนิทก็มีบางทีก็มีเรื่องค้างค้างอยู่ในใจมันก็เลยหลับแบบนี้แบบแบบเห็นนู่นเห็นนี่ไปด้วยคำถามจากคุณนาวีค่ะก่อนนั่งสมาธิอธิษฐานให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนได้ไหมเจ้าคะอธิษฐานไ่ทำไมไ ม, ไม่มีอะไรอธิษฐานคือกรรมวาอธิษฐานนี่ ชนใหญ่เราจะใช้ผิดหลักของศาสนาเราจะอธิษฐานแต่ว่าคำว่าขอขอให้ได้นูน่นขอให้ได้นี่จากการนั่งสมาธิอันนี้ผิดหลักคาว่าอธิษฐานของสมาของของศาสนาหมายถึงความตั้งใจหมายความว่าเราจะตั้งใจนั่งสมาธิ น, นี่อธิษฐานแบบนั้นเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้านั่งใต้โคนต้นโพธิ์พระพุทธเจ้าก็อธิษฐานว่าเราจะตั้งใจภาวนาไปเรื่อย จนกว่าเราจะตัดสะรู้ถ้าเราไม่ตัดสะรู้เราอยังจะไม่เลิกภาวนาเราจะนั่งสมาธิต่ตอไปถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปเราก็จะไม่หยุดนีคือให้ตั้งใจอยู่ที่การกระทาไม่ใช่ไปตั้งใจอยู่ที่ผลของการกระทาผลมันจะเกิดจากเหตุคือการกระทำถ้าเราไม่ทำเหตุ ไปตั้งขอให้ได้ขอให้ตัดทะลุแล้วไม่ไปนอนไปนอนดูทีวีมันไม่มีทางที่จะไปตัดทะลุได้นั่งสมาธิได้ห้านาทีเจ็บก็เลิกแล้วก็ไปดูทีวีแทนอย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่จะตัดทะลุได้พระพุทธเจ้าก็รู้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าถ้าอยากจะตัดทะลุต้องนั่งสมาธินั่งภาวนาไม่เลิกถ้าเลิกถ้ายังไม่ตัดทะลุถ้าเลิกก็ไม่ตัดทะลุถ้าไม่เลิก ภาวนาไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็ตัดใจะราเองเนี่ยการอธิษฐานนี้คิดว่าที่พูดนี่หมายถึงขอขออะไรล่ะอธิษฐานให้พ่อแม่ขอให้บุญกับพ่อแม่เหรอไม่รู้เหมือนกันให้บุญไม่ได้หรอกผลที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่ต้องเป็นของใครของมันถ้าพ่อแม่อยากนั่งสมาธิก็พ่อแม่ก็ต้องนั่งเองถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วก็ถ้าอยากให้พ่อแม่ได้บุญก็ไปทําบุญใส่บาตร เพราะผลที่ได้จากการนั่งสมาธิไม่รู้เกิดขึ้นมาหรยอยาง <c oughs> คำถามจากคุณจิ๊บค่ะในขณะที่เราทำงานจิตก็จับจ่ออยู่กับงานที่เราทำแต่บางทีจิตมันก็สายไปคิดอยู่ที่อื่นแต่พอเรารู้ตัวก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือยังไม่นิ่งทั้งวันเลยทีเดียวแต่เราก็รู้ตัวอยู่อย่างนี้เป็นการปฏิบัติถูกต้องไหมคะ เริ่ต้นก็เป็นอย่างนี้ล้มลุกคุกขานสติก็เป็นเหมือนร่างกายเนี่ยตอนเป็นเด็กมันก็ยังต้องล้มลุกคุกขานไปแต่พอมันฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันก็จะยืนขึ้นมาได้เดินได้แบบไม่ลม้มแต่ใหม่ๆมันก็จะเผลอบ้างเผลอแล้วก็พอได้สติก็ดึงกลับมาดึงไปดึงมาชักก็เยอะกันไปอย่างนี้ไปก่อนแล้วถ้าเราพยายามทาอยู่เรื่อย พยายามมีสติคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเพอน้อยลงมันก็จะอยู่ในปัจจุบันได้นานขึ้นมากขึ้นคําถามจากคุณมงคลศักดิ์ค่ะกระดูกครูบาอาจารย์ที่บรรลุทำแล้วทําไมถึงเป็นขาวใส เ, เป็นรูปแบบต่างจากกระดูกบุคคลทั่วไปครับเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธิ์ยัยงไม่มีกิเลสตัณหา จิตที่บริสุทนี้ท่านบอกว่าจะไปซักฟอกธาตุคือกระดูกให้มันใสสะอาดขึ้นมาบางส่วนไม่ใช่ทุกส่วนนะอันนี้คือเป็นเรื่องของจิตที่บริสุทิที่มันจะฟอกซักฟอกมากน้อยก็อยู่ที่ว่าจิตบริสุทธได้นานหรือไม่นานก่อนที่จะตาย ถ้าบรอยสุดได้เพียงวันสองวันแล้วตายเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาจะฟอกให้เป็นธาตุได้ก็มีคำถามจากคุณแคทค่ะทำสมาธิแล้วตัวโยกไปมามีแสงสีขาวสว่างรู้สึกตาขยับแดงภาวะอย่างนี้คืออะไรเจ้าคะภาวะไม่มีสติไงนั่งแบบไม่มีสติถ้ามีสติแล้วใจร่างกายจะนิ่งจะไม่ขยับ แล้วจะไม่ค่อยมีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เห็นถ้ามีพุทธโธพุทธโธพุทธโธเมื่อมีการดูลมหายใจอย่างต่อเ น, นื่องร่างกายจะนิ่งไม่ส่ายไปสายมานี่แบบนั่งแบบเข้าทรงมากกว่านั่งแล้วก็ไปปรุงแต่งให้อะไรเกิดขึ้นมาการนั่งแบบนี้อันตรายถ้านั่งแบบไม่มีสติเดี๋ยวมีอะไรโผล่ขึ้นมาอาจจะไปเมาคิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ได้ ที่ว่าคนนั่งนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าก็นั่งแบบนี้นั่งแบบไม่มีสติคอยควบคุมใจอา่าหมดแล้วเลยมีไหมหมดแล้วก็หมดเวลาพอดีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ